คนเรานะควรมีน้ําใจเอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่นแต่ว่านอกจากน้ําใจแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้จักวิธีช่วยเหลือผู้อื่นด้วยน้ำน้ำใจของเราเนี่ยมันจึงจะเกิดผลดีนะกับผู้ที่เราปรารถนาดีอย่างเช่นรู้ว่าควรจะพูดอย่างไรนะให้คนรับเขาสบายใจ เต็มใจรับความช่วยเหลือโดยไม่รู้สึกด้อยหรือว่ารู้สึกว่าเขาต่ำต้อยนะอย่างเมื่อวานนี่ได้พูดถึงเจ้าของร้านข้าวต้มปลานะที่สถานนรถไฟลาดบุรีเนี่ยเป็นคนมีน้ำใจมากนะ <c oughs> <c oughs> เห็นคนที่มารอขึ้นรถไฟคนไหนที่ท่าทางจงจากจน รอรถไฟกันหลายชั่วโมงไม่มีอะไรกินเลยแกก็เข้าไปหาแล้วก็พูดจาอ่อนน้อมสุภาพก็บางทีก็พืดว่าเนี่ยวันนี้ผมโชคดีขายดีก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้คุณลุงบ้างนะหรือคุณป้าบ้างเพราะว่าคนที่ยากจนนะบางทีก็เกรงใจนะไม่อยากเป็นภาระให้กับใคร คนแบบนี้ก็มีอยู่เยอะนะไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ได้คนที่เขาเดือดรอ้อนแล้เขาไม่ขอความช่วยเหลือนี่แสดงว่าเขาเป็นคนเกรงใจหรือว่าเป็นคนที่ไม่กล้ารบกวนเพราะฉะนั้นเวลาไปช่วยเหลือใครน ะ, ะก็ให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้สร้างภาระหรือสร้างปัญหาให้กับเราเขาก็ได้เต็มใจเต็มใจรับความช่วยเหลือหรือบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับกิริยาด้วยนะ อย่างเช่นที่ไต้หวันเนี่ยมันมีมูลนิธิหนึ่งนะชื่อมูลนิธิฉือเจก็เป็นมูลนิธิทางพุทธศาสนาผู้นำก็คือภิกษุณีท่านหนึ่งนะมูลนิธินี้ทำประโยชน์มากมายหลายอย่างทั้งทำโรงเรียนนะก่อตั้งหมายเทยาลัยโรงเรียนแพทย์โรงเรียนฝึกพยาบาลแล้วก็ทำสถานี รี c ซเคิของใช้แล้วเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับสิ่งแวดล้อมแต่ว่าอันหนึ่งที่เขาทำนะแล้วก็ทำอยู่เป็นประจำเนี่ยก็คือการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากนะเวลาเกิดภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวน้ำท่วมก็จะงม่สาสมัรเนี่ยตรงไปยังที่เกิดเหตุทันทีนะไม่ว่าจุดไหนของโลกนะ ที่เมืองไทยตอนเกิดสึนามินะทางฉิวจีนก็มีจิตอาสามาช่วยนะแล้วจิตอาสารนี่นะเวลาเขาช่วยใครเช่นการให้อาหารหรือว่าให้เสื้อผ้าให้สิ่งจำเป็นแก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเนี่ยเขาจะมีท่าทีอ่อนน้อมถ่อมตัวมากแล้วก็ขอบคุณนะขอบคุณผู้ที่รับความช่วยเหลือจากเขา ขอบคุณผู้ที่รับอาหารจากเขามันก็กลับกันนะแทนที่จะรอให้ผู้ที่ได้รับความช่ยเหลือมาขอบคุณผู้ให้ผู้ให้เนี่ยกลับขอบคุณผู้ที่มารับเพราะว่าอะไรเพราะเปิดโอกาสให้เขาได้ทำบุญเปิดโอกาสให้เขาได้ทำความดีโอกาสที่คนเราเนี่ยได้รับโอกาสทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลนี่ถือว่าเป็นโชคถือว่าเป็นบุญแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ที่ ทำให้เราได้บุญนะซึ่งรวมถึงผู้ที่รับความช่วยเหลือด้วยแน่นอนนะคนที่บริจาคเงินนี่เขาก็ขอบคุณนะเวลาเขาถือกล่องรับบริจาคตามที่ต่างๆนี่ใครมาให้เงินเขาแม้แต่เล็กน้อยแม้จะเป็นเด็กก็ขอบคุณคนที่ถือกล่องบางทีก็เป็นผู้จัดการธนาคารบางทีก็เป็นผู้อานวยการบริษัท หรือผู้ในการลงพยาบาลผู้นี้เป็นใหญ่เป็นโตนะมีผู้ใตาบังคับบัญชายอดแต่เวลามาถือกล่องรับบริจาคนี่ถอดหมวกออกหมดเลยเหลือแต่ความเป็นมนุษย์นั่นใครที่มาบริจาคเงินเนี่ยบาทสองบาทนะเหรียญสองเหรียญเป็นเด็กเป็นคนยากจนก็ขอบคุณแต่ก็อย่างที่ว่านะไม่ได้ขอบคุณเฉพาะคนให้นะคนที่มารับ ข้าวมารับเสื้อผ้ามารับยาก็ ข, าขอบคุณด้วยนะอ่อนน้อมถ่อมตัวมากอันนี้ก็เรียกว่าทําให้ผู้ที่มารับความช่วยเหลือเนี่ยเขารู้สึกเต็มใจนะเขารู้สึกไม่รู้สึกต่ําต้อยไม่รู้สึกว่าถูกดูถูกนะเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ไม่สบายใจหรือเขาก็ไม่อยากจะมารับความช่วยเหลือคนที่เขามีศักดิ์ศรีนะหรือว่า หรือว่าแม่ฉันใจยากจนแม่ฉันจะเดือดร้อนฉันก็มีศักดิ์ศรีนะแบบนี้ก็มีอยู่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการช่วยเหลือเนี่ยต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เสียศักดิ์ศรีนะอันนี้แล้ววานน้อยมีน้ำใจแล้วก็ต้องมีความเข้าใจเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของผู้ที่รับความช่วยเหลือและน้ำใจเนี่ยก็รวมถึงว่า ไม่ใช่แค่ทำให้เขามีอาหารกินมียารักษาโรคจะช่วยทำให้เขาสุกสบายใจในการที่จะรับความช่วยเหลือเนี่ถ้าหาว่ามีน้าใจแต่ว่าไม่รู้วิธีหรือไม่เข้าใจจิตใจของคนที่ช่วยเหลือคนที่รับการช่วยเหลือเนี่ยบางทีก็ก่อปัญหานะมิชายคนหนึ่งเนี่ยขับรถผ่านสี่แยก ผ่านไปได้สักพักก็เห็นคนแก่นะ่ะอายุสักแปดสิบกว่ายืนหันรียืนอยู่ริมถนนนะหันรีหันขวางแล้วก็คิดว่าคงจะเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะที่หลงทางเดี๋ยวนี้บ้านเราเนี่ยมีคนป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยเยอะนะพอแก่ๆเข้าเนี่ไอที่ความจำดีกลายเป็นเลอะเลือน ออกจากบ้านแล้วกลับบ้านไม่ถูกนะแบบนี้มีเยอะเลยนี่เพราะความจำเสื่อมเพราะเป็นอัลไซเมอร์ผู้ชายคนนี้เห็นเนี่ยคุณตาท่าทางคล้ายเป็นคนที่หลงทางก็เลยจอดรถแล้วก็จูงกึง่งจูงกึ่งชุดเลยนะคุณตาเนี่ยให้ขึ้นรถ คุณต า, าเบคืดแล้วแกก็ทำท่า ง, งงงตกใจนะเจ้าของเราก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะพาคุณตาไปส่งบ้านบ้านคุณตาอยู่ไหนใช้แกนั่นก็ทำท่าตนกตกใจกุกุกั ก, กักกนะพูดตะกุกตะกักเจ้าของเราก็เลยถามว่าเนี่ยบ้านคุณตาเสียอะไรจำได้ไหมอยู่ตรงไหน เดี๋ยวผมจะพาไปส่งคุณตาเนี่ยพอแกตั้งสติได้เนี่ยแกก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยบ้านฉันเหรอก็อยู่ตรงที่ฉันยืนอยู่นั่นแหละฉันกำลังยืนรอใส่บาตรพระนะแล้วทำไมเธอมาฉุดฉันขึ้นรถเกิดอะไรขึ้นกลายเป็นว่าเนี่ยแทนที่จะช่วยคุณตานะกับสร้างปัญหานะเพราะอะไรนะเพราะว่าไม่รู้จักถามก่อนนะอยากจะช่วยใครางีก็ต้องถามก่อนนะว่าเนี่ย คุณตามีปัญหาอะไรหรือเปล่าหลงทางไหมเนียอันนี้ไม่ถามเลยนะเห็นเขาทําหารี่หันขวางก็คิดว่าเขาเป็นคนหลงทางความจําเสื่อมบาดธนาดีถ้ามีน้ําใจนะอันนี้น่าสรรเสริญนะแต่ว่าการที่จะช่วยนะกับสร้างปัญหาอันนี้เพราะว่าไม่รู้จักถามเพราะฉะนั้นเนี่ยมีน้ําใจเนี่ยไม่พอเนะี่ยมันต้องมีวิธีนะในวิธีอันนี้คือการรู้จักถามเนาะเขาต้องการอะไร เราจะช่วยเขาได้ไหมและสิ่งที่เราช่วยเนี่ยสิ่งที่เราจะให้เนี่ยมันช่วยเขาได้จริงหรือเปล่านะเพราะนั้นไม่ใช่ว่าจะจะตีคลุมนะว่าเนี่ย เ, เขาต้องการอย่างนี้ก็จัดการให้เลยหรือทำให้เสร็จซึ่งบางทีไปสร้างปัญหากับเขา